ล่อจิตให้สงบเรย่สมถะสมถะคือการทำจิตให้สงบจึงมีเครื่องล่อเหมือนเดิกับเอาตุ๊ ก, กตาหรือเอาดอกไม้สีแดงสีเขียวสีเหลืองล่อเด็กให้มันนอนหลับ <c oughs> มีเครื่องล่อเด็ก <c oughs> เด็กมันก็ไม่วุ่นวี่วุ่นวายเดี๋ยวมันมองดู เพราะมันมีความชอบใจอยู่ในสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือไม่ตุ๊กกตานั่นจิตมันจ่ออยู่ตรงนั่นพอไม่นานมันก็หลับไปในเรื่องของจิตก็เหมือนกันหาอารมณ์หาเครื่องให้จิตยืดที่เป็นอารมณ์อันเดียว ีว่ามีพุโทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังเรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจมีสติประคองใจยือระลึกสติความระลึกได้ระลึกลู้ใจความลู้ให้ลู้อยู่กับความนึกคิดนึกคิดหรือนึกคิด ยุบเ น, นอะกองเนาหรือนึกคิดพุโทโธพุธโทโธหรือนึกคิดสัมมาอรหังแบบวัดปากน้ำท่านก็สอนสัมมาอรหังสัมมาอรหังกับท้าพุทธเจ้านั่นแหละอรหังสัมมาสัมมาอรหังพูดกลับไปกลับมาพูดได้ถึงสมมุติไม่มีต้นไม่มีปลายสมมุติไปที่ไหนก็ได้ถูกตามสมมุติ พุทธพุทโธผู้พุทธเจ้าผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้พุทโธพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ตัวรู้ตัวเองรู้ทุขรู้ทุกข์กระจายออกไปรู้เกิดรู้ดับรู้แก่รู้เก็บรู้ตายรู้ดีรู้ชั่ว รู้ควรไม่ควรเป็นเรื่องความรู้จริงว่าพระพุทธเจ้ารู้ครอบจักรวาลจริงว่ารู้แจ้งซึ่งโรครู้หมดไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา้าในจริงว่าพุทธของพระพุทธเจา้าพุทธของพวกเราแต่จะให้รู้ความนึกความคิดของตัวเองก็ยังรู้ไม่ทันอยู่นี่ จึงให้ฝึกนึกพุโทโธพุธโทโธเสือเป็นอารมณ์ของใจ ใ, ใจยึดพุโทโธคำเดียวเมื่อยึดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธแนว่วแนว่แล้วมันก็ขาดจากอารมณ์อย่างอื่นจึงทําให้เกิดความสงบของใจเกิดขึ้นเมื่อใจสงบก็เกิดความสุขเหมือนกับเรานอนหลับสบายนะั่นแหละ ถ้านอนหลับสบายก็มีความสุขถ้านอนไม่หลับมันมึกคิดนอนทั้งคืนก็ไม่หลับหาความสุขไม่ได้ น, นี่ก็เหมือนกันมึกพุโทโธพุธโทโธใจรวมอยู่กับพุโทโธพุธโทโธรวมลงเหลืออารมณ์อันเดียวคือพุโทโธพุธโทโธแน่อยู่กับพุโทโธเมื่ออยู่กับพุทโธแน่แน่วางพุโทโธก็เหลือแต่ความรู้หมดสมมติภายนอก ไม่มีเรื่องสมมติภายนอกไม่มีโลกกะถางอันนี้ไม่มีตายไม่มีเหลือแต่ความรู้เหลือแต่ใจเหลือแต่ใจกับสติระลึกรู้กันอยู่นั่นก็เกิดความสุขเกิดความสบายเกิดความเบาจิตสบายจิตหาติ่เปรียบเสมอเหมือนไม่มีเพราะ จิตรวมลงไปหรือสงบลงไปเหมือน ก, นกันกับเรานอนหลับไม่นึกคิดอะไรนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันตรงที่มีสติและไม่มีสติคนนอนหลับสติตามไม่ทันขาดความระลึกรู้ก็เลยหลับเงียบไปจิตรวมด้วยความมีสติมีความระลึกรู้รอบความรู้นั่นอยู่ เป็นอย่างไรมีอาการอย่างไรก็รู้นอนหลับเงียบไปพอตื่นขึ้นถึงรู้ก็นอนหลับนี่เรียกว่าอารมณ์สมถะคืออารมณ์ที่ทำให้ใจสงบขอให้ทำด้วยความตั้งใจจะเอาแบบไหนก็ได้หรือนึกความตายอย่างนี้ ตายตายตายตายมันก็เป็นอารมณ์ทำใจให้สงบในกรรมาฐานสี่สิบอย่างผู้เจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วและนอกเนื้อไปจากสี่สิบอย่างจะกำหนดอะไรก็ได้ขอให้เป็นที่ให้จิตมันรวมแมวแม่อยู่กับอารมณ์อันเดียวเท่านั้นทำใจให้สงบได้ก็เรียกว่าสมถะภาวนาที่เมื่อใจสงบแล้ว สงบแน่วแน่ก็เรียกเป็นสมาธิคือความแน่วแน่ของจิตไม่งอนแงนคลแขนไม่ไหวตีงเหมือนต้มน้าไม่กระเพื่อมเมื่อน้ำไม่กระเพื่อมก็ซองมองลงไปย่อมเห็นเงาชัดนี่ใจไม่กระเพื่อมเรียกว่าสงบตั้งมั่นแน่วแน่ที่นี่บางทีก็มีอุบาย ทำแย้มขึ้นมาในจิตทำเรียวกว่าปัญญาปัญญาเกิดในสมาธิทำให้รู้ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยความแจ่มแจ้ ง, งชัดเจนในขณะจิตนั่นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาจากจิตที่สงบรวมแน่แน่อยู่จึงเป็นปัญญาที่จะตัดความสงสัย ไม่เหมือนปัญญาในสัญญาปัญญาในสัญญาจดจำได้ไม่ขาดความสงสัยยังรูปๆคำๆอยู่แต่ปัญญาในสมาธิหรือในภาวนาเนี่ยทำให้ขาดความสงสัยไม่มีความสงสัยหลังเลในเรื่องอันิจังทุกขังอนัตตาก็ไม่สงสัยว่าอะไรเป็นอันิจังอะไรเป็นทุกขงังอะไรเป็นอนัตตา ไม่มีความสงสัยภายในจิตเมื่อรู้ด้วยปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วเป็นภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากภาวนาตัดความสงสัย <c oughs> นี่จะเอาอารมณ์อะไรให้ทมให้แน่วแน่ด้วยความตั้งใจจริงจึงเกิดผลจริงจึงปรากฏ เห็นผลที่แท้จริงเดี๋ยวสัจธรรมเป็นของจริงเมื่อทําจริงก็เห็นจริงเมื่อทําเล่นก็ไม่เห็นความจริงไม่ปรากฏความจริงจึงหมดมรรคหมดผลเพราะความไม่จริงแต่ทําจริงเดี๋ยเจริญมรรคจริงผลก็ปรากฏออกมาจริงเหมือนกันกับเราทํากิจการงานภายนอก หรือปลูกพืชต่างๆทำจริงรักษาจริงให้ปุ๋ยรดน้าพวนดินก็ออกผลจริงนี่เรื่องภายในก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทำแบบไหนก็ขอให้ทำจริงๆเมื่อเราทำจริงๆแล้วมันไม่เกิดความสงบจิตไม่ปรากฏผลขึ้นมา ก็จึงค่อยเปลี่ยนแบบใหม่หรือแนวใหม่เพราะในอุบายถึงสี่สิบอย่างนั่นแหละเป็นอุบายที่จะกำหนดเป็นอุบายที่ร้อจิตให้สงบอนุสติสิทธิอสุภาสิตกาสินสิทธิที่ท่านแสดงไว้แล้วในกรรมฐานสี่สิบอย่าง แล้วก็ฐานที่ตั้งของสติ <c oughs> ในกายรวมย่อจากสี่สิบอย่างเข้ามาภายในกายฐานที่ตั้งสติภายในกายของเราเอาสติความระลึกรู้แห่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกนี่แห่งหนึ่ง อต่เนี้ว่าเป็นฐานที่ตั้งสติเป็นฐานที่กําหนดรู้ลมหายใจผ่านเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่ที่ลมสัมผัสปลายจมูกเท่านั้นไม่ให้รู้ไกลออกไปไม่ให้รู้ไกลออกไปภายนอกถ้าห่างออกไปภายนอกก็จะเกิดเป็นอารมณ์แทรกก้อนขึ้น พระสารีพิณจึงให้รูดเด่นอยู่เฉพาะปลายจมูกเท่านั้นเข้าก็รูดออกก็รูดเข้าก็รูดออกก็รูดเอาเท่านั้นนี่เป็นฐานที่หนึ่งที่ปลายจมูกรูลมหายใจเข้าหายใจออกแพ่งอยู่ตรงนั้นที่นี่เมื่อเราแพ่งที่ปลายจมูกจิตแน่วแน่ได้ไม่พังเผย รู้ชัดอยู่ที่ปลายจมูกก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนที่หรือเลื่อนที่กําหนดขึ้นมาที่ตรงหน้าศีรษะหรือหน้าผากของเราแห่งตรงหน้าผากทําความรู้อยู่ตรงหน้าผากหรือหน้าศิกเหมือนเดียวว่าหน้าศีรษะคือหน้าผากแห่งดูอะไรตรงหน้าศีรษะแห่งดู คือให้มันเป็นจุดที่หมายแต่รูกำหนดเข้าไปภายในมันก็เป็นกระดูกอยู่ในหนังในเนื้อเข้าไปแท่งอยู่ที่ตรงหน้าผากแนวแน่ก็เลื่อนขึ้นไปตรงกลางศีศรษะอยู่กลางขมอมตรงกลางหัวนี่ก็เป็นฐานที่ตั้งสติอีกฐานหนึ่ง ทำความรู้เหมือนกับเราหายใจเข้าหายใจออกตรงกลางขาหมหอมกลางหัวนั่นแต่มันจะเข้าจะออกที่ไหนก็ตามแต่ให้เอาความรู้เอาความสําคัญมั่นหมายเอาไปรู้อยู่ตรงกลางศรีรษะนั่นนี่เป็นฐานที่ตั้งสติอีกแขงหนึ่ง การมันก็เลื่อนลงมาที่ตรงคอหอยอันเดียกว่าตรงช่องคอตรงคอหอยแท่งให้รู้อยู่ตรงคอหอยของเราเมื่อมันเห็นชัดรู้ชัดที่คอหอยแล้วก็เลื่อนลงไป ตรงที่หน้าอกที่ลิ้นปีที่อกล่องหายใจเข้าหายใจออกรูอยู่ที่อกล่องว่ามันรูแน่ๆไม่เผลอให้ข้างเผอก็เลื่อนลงไปทีเนเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วเดีวตรงหน้าท้องแห่งเข้าไปภายในมีอะไรอยู่ในนั้น มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ในท้องนีเมื่อจุดไหนเป็นที่เด่นชัดตัวกันในจุดที่เราเพ่งแล้วท่านก็นให้ยึดเอาให้ยึดเอาจุดนั่นแหละที่นี่ปฏิบัติเวลาไหนตั้งสติเวลาไหนทาภาวนาเดินจะเดินจนกงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนา ก็ให้กำหนดเอาจุดนั่นเล็นเพ่งเป็นที่ตั้งของสติเรียกว่าเอาเป็นหลักไม่ให้ไม่ให้เคลื่อนไปเคลื่อนมาเอาเป็นหลักเป็นจุดที่เด่นที่เมื่อมันเด่นเมื่อกิต แ, แน่วแน่มันสงบลงถึงฐานถึงที่แห่งความสงบแล้วมันก็กระจายไปทั่วทั้งร่างกาย เพราะความรู้นี่ไม่มีที่ปิดบังไม่มีสิ่งปิดกัน้นนอกจากอารมณ์หรือนิวรณ์ธรรมอารมณ์อดีตอนาคตอารมณ์รักอารมณ์ชังทั้านั้ น, หนแหละจะปิดกิดนี่ไม่ให้มองเห็นความจริงภายในกายนี่เมื่อมันขาดจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งของกิจแน่วแน่แล้ที่นี่มันจะทะลุไปเองไม่ต้องไปเลื่อนไม่ต้องไปกำหนด มองเห็นไปทั่วทั้งร่างกายเพราะเห็นด้วยความรู้ด้วยความเห็นภายในนี่จึงจะเกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาและปัญญาก็จะแก่กล้าไปตามที่ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมองเห็นตายลงสู่อนิจจังทุกขังนัสตาตามความเป็นจริง รู้ได้เห็นได้ในเมื่อจิตสงบแน่วแน่ลงถึงฐานนี่แหละการฝึ ก, กจิตที่ท่านเรียกว่าจิตตภาวนาการฝึ ก, กจิตการอบรมจิตทำสติให้แน่วแน่ให้มั่นคงให้มีฐานไม่มีอารมณ์ที่ยึดของจิต ให้แน่แน่ทำให้จริงให้จํางและจะปรากฏผลจริงเห็นผลจริงถ้าหากว่ามันยังไม่จริงจังนั่นมันก็หลอกเราไปเรื่อยเรื่องของกิจที่จะสาวหรือไต่เต้าไปตามอารมณ์ต่างๆเด็กกว่าวริกรรมพุทธโธไม่ดีไม่สบาย เอไปนึกยุบน้องพองหน้ก็นึกยุบน้องพองน้ อ, นกกน อ, องอก็ว่าไม่สบายไม่ดีก็ไปนึกเอาสัมมาอรหังก็นึกไปนึกไปก็บอกว่าไม่ดีไม่เป็นที่สบายก็เลยรวนเละกันอยู่เลยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์จับจดหมดหลักจะเอาหลักเอาเกณฑ์ที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยเป็นกิจเลื่อนลอยไม่แน่แน่ไม่ตั้งมั่นได้ เราจะเอาแบบไหนก็เอาให้จริงจังเอาจิ บ, บริีกรรมพุโทโธพุโทโธกับทั้งหลับทั้งตื่นยืนเดินนั่งนอนก็ให้มันรู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธเนี่ยเอาให้จริงเอาให้จังจะเอาแบบไหนก็เอาให้จริงเอาให้จังทําให้จริงจังมันลงถึงที่แห่งความสงบอันไหนเมื่อความสงบแน่วแน่แลบบการเจริญปัญญา หรือการพินิษพิจารณาก็จะได้พ้อยได้ความรูปความเป็นจริงตามสภาวธรรมทั้งหลายได้ที่ท่านเรียกว่าวิปาาัสสนาญาณมันจะเกิดญาณคือความรู้ตามความเป็นจริงนี่เรื่องสมะถะวิปัสสนาอยู่ด้วยกันกลมคืนกันอยู่ไปแยกแยกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอุปมาเหมือน ขาขวาและขาซ้ายเมี่ยก้าวขาหนึ่งไปยกขาหนึ่งขาหนึ่งก็ต้องเป็นขาย่างไว้ยกขาขวาขาซ้ายก็ต้องย่างไว้ยกขาซ้ายขาขวาก็ต้องย่างไว้เลี้ยงสมาธและวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ตรงตืนกันไปพักสงบเกิดปัญญา ถ้าพิจารณารู้ในสภาวะความจริงเยเป็นวิปัสนาเนี่ยพิจารณาสงบก็เป็นสมถะนี่มันเป็นเครื่องหนุนกันถ้าจะไปทิ้งสมถะเอาแต่วิปัสนาคือพิจารณาไปเรื่อยพิจารณาก็เป็นพิจารณาสัญญาณได้ยินได้ฟังมากเมื่อคิดไปเมื่อคิดไปนมืคิดไป เสร็จแล้วก็หยุดก็ออกไปเลื่องอื่นที่แรกก่อนึกคิดเรื่องของธทรำรนึกไปนึกไปกออกไปเรื่องของอย่างอื่นแ่ะเพราะกิเลสมันคอยแทรกอยู่คอยแทรกคอยซักคอยส่วนออกไปตามเรื่องความอยากความถ้าเจอทะายานไปายนอกไปวุ่นวายไปนี่เพราะว่าวิปัสสนาไม่มีสมถะ เป็นกำลังหนุนถึงกลายเป็นชั้นยาไปรืยกลายเป็นขาดความรู้เท่าทันไปกลายเป็นอุทะจะกุพุจะฟุ้งซ่านลำคาญไปในเรื่องกิตตะภาวนาสมถะและวิปัสสนาเป็นคู่กันไปจึงเรียกว่าเป็น สัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิความเห็นชอบความตั้งมั่นไว้ชอบเป็นคู่กันไปจึงไม่ทำให้ลุ่มหลง <c oughs> ขอตั้งใจทำทำให้จริงให้จังจะทำแบบไหนก็ทำให้จริงจังเพราะจะทำเป็นของจริงอยู่แล้ว กิเลสมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงจึงหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาพอเราจะทําจริงหน่อยมันก็หลอกมาให้จริงแล้วพอตั้งท่าจะเอาจริงเอาจังมันก็หลอกให้ล่มเหลวไปแล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องการฝึกจิตปฏิบัติต่อจิตนี่แบบเป็นสิ่งที่สํำคัญอาห่าว่ามองข้าม ตัวนี้ไปแล้วก็เรียกว่ามองข้ามทมหรือทอดทิ้งตัวเองเพราะ ก, กายกับจิตอาศัยกันกายอยู่ราะจิตจิตอาศัยกายนี่เป็นที่อาศัยกันแต่สำคัญก็คือจิต าาว่ากิจสุดกิดหมดกำลังก็เหมือนกับบ้านสุดก็ต้องพังหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนทรรมเพื่อให้เป็นที่เกาะที่ยึดของใจของกิดสมาธิสติทานศีลภาวนาอะนี่เป็นเครื่องยึดของกิด จะได้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานอิ่มแย้มแก่มใสต่อธรรมเบิกบานต่อธรรมก็มีความสุขไปวันหนึ่งวันหนึ่งที่เรามีชีวิตอยู่เป็นชีวิตที่มีความสุขความสดชื่นด้วยธรรมไม่เหี่ยวแห้งกระพาธรรมแบบเป็นกิจที่เหี่ยวแห้งเหมือนต้นไม้ไม่มีน้า ย่อมเหี่ยวแห้งชั้นใดใจที่ขาดธรรมก็เหี่ยวแห้งเป็นทุกข์วุ่นวายฉะนนั้นนี่การปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันที่มีความเป็นอยู่ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วได้ศึกษาอบรมกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นที่พึ้นของตนเอง ขันตีปรามังตโปติปิฆาในวาปตปฏิโมกที่สวดในวันเน่เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาตปาติโมกขันตีปรามังตะโปติติฆาขันติเป็นตะปะ เป็นตปะปรทำที่จะแหดเผาแผดเผากิเลสแผดเผาอาสวะจะจต้องสร้างขันติบา ร, รมีหากขันติและธรรมก็ไม่เจริญขันติก็เป็น เป็นพ่อทาแม่ทาเหมือนกันรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงในโอวาอทปฏิโมกอีกอย่างหนึ่งตัวให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ทองใส <c oughs> นี่ก็เป็นเป็นยอดคำสอนเป็นรวมคำสอน ทั้งหลายลงมานั่งรถมาท่านปีนเห็ น, นว่ดการสร้างท่นานสีบารมีพระเจ้าทรงบำเพ็ญบรารมีครบทั้งสิบอย่างทั้งอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดอย่างยวดยิ่งจริงจึงรวมว่าบรารมีสามสิบทัศน มเป็นการสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสัพพัญญูพุท ธ, ธะเป็นผู้ตัสรู่เองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจในสัจธรรมเองมีเป็นบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สร้าง แต่บา ร, รมีของสาวกก็ไม่ต้องสร้างถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ให้แล้วบอกแบบแผนแผนทังไว้หมดแล้วนติบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีเมื่อตั้งสัจรรจะไว้จะนั่งสมาธิภาวนา สิบนาทียี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เอาให้ได้ตามนะั้นเอาให้ได้ตามที่ตั้งสัจาะไว้เป็นการก บ, บรรเทาสัจการมีอธิธานบารมีเอธิษฐานไว้อย่างไรแล้วก็เอาให้จริงเอาให้จัง อธิษฐานว่าวันแปดค่ำสิบห้าค่ำจะรักษาอุโบสถศีลพอถิงเลยก็ทำหรืออธิษฐานไห้ว่าจะปฏิบัติบูชาการรักษาศีลนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมก็ทำเมื่อสัจจะทำอธิษฐานาอยู่ใกล้ๆกัน <c oughs> สําเร็จด้วยสัจะสําเร็จด้วยอธิษฐานสําเร็จด้วยันติการกระทําบําเพ็ญบุญกุศลจะสําเร็จด้วยันติสําเร็จด้วยสัจสสจะหรืออธิษฐาน การทำบาปกดสังเ็จด้วยก็จริงเหมือนกันนะก็เหมือนกันแต่มันแยกทางกันาบางคนตั้งใจไว้ไว่าจะทำเลยทำบาปเลยทำลงไปเอาสัจจะมาอ้างเหมือนกันถ้าไม่ทำเหมือนกันเสียสัจจะแต่ลกลัวเสียสัจจะในทางที่ไม่ดีนี่ไม่ถูกทำ ไม้จะเสียก็ให้เสียไปถ้าสิ่งที่ไม่ดีนัดโต้นัดหมูนั ด, นดเพื่อนด้วยว่จะไปดื่มเหล้าดื่มสุราอีวงกันเดี๋ยวไม่ไปมันจะเสียสัจจะเสียก็ยอมให้เสียสัจจะแบบนั้นไม่คือว่าเป็นการเสียสัจจะถ้าสิ่งที่ไม่ดีถ้าสิ่งที่ดีเนี่ย ถ้าจะไปทําให้เสียเนี่ยถึงว่าเป็นการเสียสจละอย่างตั้งใจว่าจะรักษาศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดแล้วไม่ทํานี่เสียสจละดูว่าเสียสจะการไม่ไปในทางที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเสียพยายามให้เสียอกิเลสแหลมคมไม่ใช่ย่อยนะ อย่างถ้ามาบวชก็อย่างนี้บางคนก็บอกว่าตั้งสัจจะไว้จะบวชพรรษาหนึ่งปีหนึ่งพอไปถึงมันแล้วถ้าจะไม่สิกก็กลัวว่าจะเสืียสัจจะ ก, ก็เลยไปเอาก็ <c oughs> เอาเรื่องของธรรมเอาเรื่องของสัจจะมาเป็นเครื่องหลอกตัวเองยัง เ, เป็นจะต้องสึกซะก่อนคือเหมือนกัว่าบวชว่าเพ้นอยู่ รักษาศีลสิบสองรอยี่สิบเจ็ดโอยอยู่ไม่ได้แบบแอยู่ไปเดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นบาปในกลัวบาปก็ <c oughs> าบาปในการรักษาศีลในการภาวนาเข้าใจว่าซึ้งออกไปเป็นคารวาะทำบาปทางกายทางวาจาทางจิตใจยิ่งไม่มีขอบเขตในอันนั้นก็เลยเล ย, เ ล, ยลืมไปเล ย, เ ล, ยลืมคิดว่ามันเป็น บาปไปไปคิดว่ามันคงไม่เป็นบาปคงจะเป็นบาปต้องจะบวชอยู่นี่แหละพระเป็นเ น, นอยู่นี่นี่มักจะได้ยินบ่อยๆเวลามีพระอิสุสามะเนรมาเจะลาสุขาโอ้อยู่ไปก็กลัวว่าจะบาปที่จะไปทําบาปอยูโดยชัดเจนหนึ่งโดยไม่กลัว <c oughs> นี่มันกลับกันซะอย่างนี้ เป็นตัวอย่างนี้เรื่องสัจจะนี่ก็เหมือนกันสัจจะคันติอะไรมันมันแยกทางกันจนกีสองทางแล้วผู้ไม่สลาดก็หลง